พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราคอยเตือนตอนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทาอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมกักที่ควรเจริญให้มากควรเจริญให้สมบูรณ์หรือเรากำลังเจริญสมุทยัย ต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราคอยเตือนตัวเราอยู่เรื่อยๆถามตัวเราอยู่เรื่อยๆตรวจดูการกระทำของเราอยู่เรื่อยๆเวลาเราทำในสิ่งที่ขัดกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญมรรคให้มากมากให้สมบูรณ์มรรคก็คือทางสู่ความดับทุกข์หรือเครื่องมือดับทุกข์เช่นทานศีลภาวนาการเดินจงกรมนั่งสมาธิการเจริญปัญญาการฟังเทศฟังธรรมการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรค มักมีกําลังมากเท่าไหร่ก็จะสามารถกําจัดสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาความอยากทั้งสามให้เบาบางลงไปได้มากเท่านั้นและได้หมดไปในที่สุดถ้าเรากําลังจเจริญสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์คือกําลังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่น อยากจะไปดูภาพยนต์ดูละครอยากจะไปงานสังสรรค์อยากจะไปทำอะไรต่างๆทางร่างกายหรืออยากจะให้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากจะให้ตัวเราได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ หรืออยากจะให้ไม่ให้ตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความคิดเหล่านี้อยู่เราก็ควรจะรู้ว่าเรากำลังเจริญสมุทยัยไม่ใช่เจริญมรรคถ้าเราเจริญสมุทยัยเราก็จะได้รับความทุกข์เป็นผลตอบแทนตามมาต่อไป ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเตือนใจคอยถามใจอยู่เรื่อยๆพอใจของเราคิดไปในทางความอยากทั้งสาคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะอยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราจะได้หยุดความคิดเหล่านี้หยุดความอยากเหล่านี้เพราะ มันเป็นพิษมันเป็นภัยต่อชีวิตของเราต่อจิตใจของเราเพราะมันจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์แบบไม่มีวันจบวันสิน้นทุกในชาตินี้แล้วยังไม่พอยังพอยังพาให้เราต้องไปเกิดในชาติใหม่ต่อไปไปเกิดมีร่างกายใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ มาอยากกับสิ่งต่างๆใหม่อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนี่คือทางของความอยากถ้าเราปล่อยให้ใจของเราคิดไปในทางความอยากจเจริญสมุทยัยจะต้นเหตุของความทุกข์อยู่เรื่อยๆความทุกข์ก็จะเป็นรางวัลเป็นผลตอบแทนต่อการคิดของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามีสติ รู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดไปในทางที่ผิดไม่ได้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสมุทยัยสมุทายนี้ต้องละในพระอริยสัจสีมีกิจอยู่สประการด้วยกันกิจข้อที่หนึ่งคือให้กาหนดรู้ทุกให้ศึกษาทุกให้รู้ว่า อะไรเป็นทุกข์เช่นให้รู้ว่าความแก่เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดพรากจากกันเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาเป็นทุกข์การการสูญเสียสิ่งที่รักไปเป็นทุกข์เป็นต้น นี่คือให้ศึกษาให้เตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าอะไรทำให้เราต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้นะทำไมเราต้องมาเกิดทำไมเราต้องมาแก่ทำไมเราต้องมาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากกันพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่ามันเป็นผลที่เกิดจาก เหตุคือความอยากต่างๆนี่เองความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรามาเกิดกันพอเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากกันท่านถึงสอนให้เราเตือนใจสอนใจเรื่อยๆว่าการเกิดนี้ไม่ดีเป็นทุกข์ การแก่ก็ไม่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยการตายก็ไม่ดีการพัดพรากจากกันก็ไม่ดีเหมือนกับเป็นป้ายบอกทางให้เรารู้ว่าอย่าไปทางนี้ทางนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะต้องตกเหวกลับรถไปถนนเส้นนี้ถ้าไปแล้วรถทุกคันที่ไปจะต้องตกเหวทุกคันถ้าเราเห็นป้ายเตือนเราพอเรามาถึงจุดนั้นเราก็จะได้ เปลี่ยนทิศทางไปอย่าไปในทิศทางของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ส่งสอนให้ศึกษาให้รู้ว่าต้นเหตุของการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็คือตัณหาทั้งสามนี้คือการมกตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสในกามคุณทั้งห้าความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหา และความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภภาวะตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เราต้องมาเจอทุกข์กันมาเจอาการเกิดเจอการแกกเจอการเจ็บเจอการตายเจอการพัดพรากจากกันเราอย่าไปทางนี้ถ้าไม่ไปทางนี้เราก็ต้องละสมุ ท, ทัยท่านยังทรงสอนให้ ให้สมุทัยนี้ต้องต้องละละสมุทัยละกามตันหาละภาวตันหาละวิภาวตันหาไม่ใช่ส่งเสริมไม่ใช่เจริญสมุทัยไม่ใช่เจริญตันหาทั้งสานี้ต้องกําจัดต้องห้ามต้องหยุดมันนี่คือกิจในพระอริยสัจสี่ของสองข้อแรกข้อที่หนึ่ง ให้สอนใจให้รู้ว่าการเกิดนี้ไม่ดีเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลากจากกันและให้รู้ว่าสาเหตุที่ทำให้มีการเกิดก็คือความอยากทั้งสามประการเราจึงต้องละความอยากถ้าเราไม่ต้องการที่จะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปแล้วสิ่งที่จะทำให้เราละ ความอยากต่างๆได้ละสมุทัยได้ท่านก็ทรงสอนว่ามรคคือมรคมรคคือทางเลือกทางปฏิบัติสู่การละตัณหาทั้งสสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่สการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านเรียกว่านิโรดนิโรดนี้ต้องทําให้แจ้ง เราต้องทําให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ของเหล่านี้ให้แจ้งให้ได้และทําได้เพราะว่ามีคนทำมาแล้วเนี่เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านทํานิโรธได้ให้แจ้งได้แล้วและวิธีที่ท่านทํานิโรธให้แจ้งก็คือการเจริญมรรคยให้สมบูรณ์นั่นเองเจริญทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์ถ้ามีทานศีลภาวนา เต็มร้อยก็จะสามารถกาจัดสมุทัยได้เต็มร้อยคือกาจัดกามตันหาภาวะตันหาวิภาวตันหาได้เต็มร้อยละสมุทัยได้ต้องละด้วยต้องละด้วยมรรคเท่านั้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถละสมุทัยได้ต่อให้มีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้าน เงินทองเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาละสมุทัยได้ต่อให้เป็นย่อยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามยกเว้นเป็นพระอาหารหันต์กับเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถละสมุทัยได้นอกนั้นละไม่ได้ มหาเศรษฐีก็ละสมุทัยไม่ได้พระราชามหากษัตริย์ก็ละสมุทัยไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ละสมุทัยไม่ได้ตําแหน่งเหล่านี้ไม่มีวันไม่มีกําลังนอกจากไม่มีกําลังละแล้วยังเป็นกําลังส่งเสริมให้มีตันหามากขึ้นไปเสียอีกเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็อยากจะเป็นพันล้าน เป็นเศรษฐีพันล้านก็อยากจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแทนที่จะมาเป็นเครื่องมือละสมุทัยละตันหาความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้แก่ใจกลับมาเป็นสมุนของสมุ ท, ทยัยมาสนับสนุนมารับใช้สมุ ท, ทยัยเพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่ความทุกข์ที่ใหญ่ขึ้นให้ก้าวจากความทุกระดับร้อยล้านเป็นความทุกระดับพันล้าน ให้ก้าวขึ้นไปจากความทุกระดับพระราชาธรรมดาให้เป็นพร ะ, พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยนี่คือเป็นการเสริมสร้างความทุกข์ขึ้นไปไม่ใช่เป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปเพราะความอยากนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่ามันไม่มีฝั่งไม่มีฝาไม่มีขอบไม่มีเขต น้ำในมาหาสมุทรแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งลองไปสนับสนุนมาแล้วลองไปเล่นกับมันแล้วมันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจากในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยจากในร้อยก็อยากจะเป็นในพันจากในพันก็เป็นในหมื่น ในแสนพูดถึงเรื่องความอยากเป็นในร้อยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้มีนายตำรวจคนหนึ่งรู้สึกว่ายัางไม่ได้เป็นในร้อยแล้วอยากเป็นในร้อยแล้วก็มีความทุกข์มากที่ยังไม่สามารถเป็นในร้อยได้ก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเคยมากราบการแนะนาบอกว่า ไปคุยกับพระอาจารย์สุชาติท่านจะให้คําตอบพอเข้ามาหาก็เล่าให้เขาฟังว่าความทุกข์ของทั้งคุณตอนนี้มันเกิดจากความอยากเป็นในร้อยถ้าคุณไม่อยากเป็นในร้อยคุณก็จะไม่ทุกข์แล้วก็คุณเป็นในสิบหรือคุณเป็นในร้อยเวลาตายมันก็ตายเหมือนกันตายแบบในสิบหรือตายแบบในร้อย มันก็ตายเหมือนกันแต่ตายแบบในสิบนี้สบายกว่าตายแบบในร้อยเพราะคุณกำลังร้อนกำลังทุกข์กับการอยากจะเป็นในร้อยพอคุณไปเป็นในร้อยคุณก็จะทุกข์เพราะคุณอยากจะเป็นในพันพอพูดให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจทันทีเขาบอกใจเขาโล่งขึ้นมาทันทีเพราะว่าทุกข์มากทุกข์กับความอยากที่จะเป็น นายร้อยแล้วยังไม่ได้เป็นแล้วก็มีคนบอกว่ายัางทำบุญไม่พอเขาก็ตรวจตาดูว่าเขาก็ทำบุญทำทานถวายสังฆทานนักษาศีลไปปฏิบัติธรรมแล้วทาไมเา้ายังไม่ได้เป็นเพราะการทำบุญถวายสังฆทานการปฏิบัติธรรมนี้มันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เป็นมันจะทำเป็นเหตุให้ทำเราไม่ทุกข์กับการที่ไม่ได้เป็นต่างหาก พออธิบายเขาฟังก็บอกว่าเขาสบายใจขึ้นเยอะหายทุกข์เพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรอยากจะเป็นเยอเกินก็ยกตัวอย่างบอกวก็ดู อ, องค์คุลิมานเป็นตัวอย่างพอเจอพระพุทธเจ้าก็อยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพราะอยากจะบัดุอยากจะเป็นผู้วิเศษพอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดแล้ว เธอต่างหากยังไม่ได้หยุดนองคุลิมารก็ถามว่าหยุดจากอะไรผมวิ่งไล่ตามท่านแทบเป็นแทบตายยังไล่ไม่ทันแล้วยังมาบอกว่าท่านหยุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดจากความอยากทั้งปวงพอพูดอย่างนี้องคุลิมารก็เข้าใจทันทีว่าตนเองกําลังไปผิดทางทางที่ไปสู่ความวิเศษ ของจิตใจนั้นไม่ได้ยัไม่ได้ไปในทางของความอยากแต่มาในทางของความไม่อยากเพราะความอยากเป็นความทุกข์พอไม่อยากว่าความทุกข์ก็จะหายไปหมดอันนี้สมุทยัยพวกเราต้องละกันไม่ใช่เจริญกันอย่าไปหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการทำตามความอยาก มันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อนี้มันมีมันเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองแต่ถ้าไปตะคุบ ม, มันเข้าไปแล้วตะขอเบ็ดนี้มันจะเกี่ยวปากแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราไปติดกับการเที่ยวติดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้ว ก็เป็นเหมือนกับการติดยาเสพติดนี่งถ้าเราไม่ติดยาเราไม่เสพยาเสพติดนี้เราจะไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่ไม่มียาเสพติดให้เราเสพแต่พอเราอยากจะเสพแล้วเราไปเสพเข้าตอนต้นก็มีความสุขดีแต่พอเสพแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็อยากจะเสพ แล้วถ้าไม่มียาให้เสพเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจฉันใดาการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็เหมือนกันเวลาที่เราได้เสพเราก็รู้สึกสนุกสนานกันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปจัดงานเลี้ยงฉลองกันไปดูมมโหศพบันเทิงอะไรต่างๆดูแล้วก็เกิดความสุขใจ แต่พอเสร็จจากการได้ดูได้ฟังความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวภายในใจเหลือแต่ความอยากที่จะให้มีความสุขอย่างนั้นอีกก็ต้องคอยหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขคือร่างกายของพวกเรามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะ คงทนถาวรจะสามารถทาหน้าที่ของมันได้ตลอดเวลาบางเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางเวลามันก็พิกลพิการบางเวลามันก็แก่ชราบางเวลามันตายอันนี้มันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากทางตาหูจมูกเล่นกายได้ พอเราไม่สามารถหาได้ความทุกข์ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาผลที่เกิดตามมาเหมือนกับเบ็ดที่เกี่ยวปากปลานี้เวลาคุบเกียรได้กินสัมผัสกับรสของเหยื่อก็อรดอร่อ ย, ออยแต่พอถูกตขอเบ็ดเกี่ยวปากเท่านั้นก็จะต้องทุกข์ทรมานนี่คือ ความสุขที่พวกเราหลงติดอยู่กันแล้วก็ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะติดกับความสุขแบบนี้ไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดได้ติดมานานมากพอแล้วได้ยังจะติดต่อไปถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่งชี้ให้เห็นโทษของการกระทําตามความอยากต่างๆและส่งชี้ให้เห็นคุณของการกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาว่าเป็นการกระทําที่จะปลดปลื้งจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากต่างๆจะทําให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเจริญมรรคที่ควรเจริญให้มากและเจริญให้สมบูรณ์เพราะเมื่อเราได้เจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะ ละสมุทัยได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราละสมุทัยได้สมบูรณ์เราก็จะทำนิโรธให้แจ้งอย่างสมบูรณ์นิโรธก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรานิโรธนี้จะดับได้ก็ต้องดับด้วยมรรคการการศึกษาทุก คือการกาหนดรู้ทุกข์ก็ต้องกาหนดรู้ด้วยมรรคอะไรเป็นตัวที่จะคอยกาหนดรู้ทุกข์ก็คือตัวตตัวสัมมาทิฏฐิหรือตัวสติปัญญานี้เองเราต้องคอยสอนใจเตือนใจเราอยู่เรว่อยๆว่าการเกิดเป็นทุกข์ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันที่เป็นความทุกข์ทั้งนั้น ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์การพัดพากจากกันก็เป็นความทุกข์และสาเหตุที่ทําให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากทั้งสามนี้แหละที่เรียกว่าสมุ ท, ทยัยต้นเหตุของความทุกข์ กามตัณหาความอยากในการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากหนุ่มอยากสาวอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนู่นเป็นนี่อยากมีชื่อมีเสียงอะไรเป็นต้นความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจเราต้องดิ้น ต้องต้องขนขวายต้องหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มาเพื่อทำให้ได้สมตามความอยากแต่ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็เป็นสุขเดียวเดียวพอได้เป็นนายร้อยปั๊บก็ต่อมาก็อยากจะเป็นนายพันตามมาแล้วความทุกข์ที่หมดไปจากการอยากเป็นนายร้อยก็หมดไปแต่จะมีความทุกข์ที่เกิดจากการอยากเป็นนายพันตามมาใหม่ ความอยากมันจะต่อมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆพอมันได้สิ่งนี้แล้วมันก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่ออยากจะได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อพอได้ถึงจุดสูงสุดแล้วก็อยากจะไม่ให้สูญเสียเช่นพอเกิดมาแล้วก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของพวกเรา มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเวลาแก่เวลาตายก็จะต้องหมดไปอันนี้คือเรื่องของความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจที่เราจะต้องคอยกำจัด และสิ่งที่จะกำจัดได้ก็คือมรรคเท่านั้นไม่มีอะไรจะกำจัดได้นะมรรคก็ต้องมีสมบูรณ์ทานศีลภาวนาทานก็ต้องเต็มร้อยศีลก็ต้องเต็มร้อยภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเต็มร้อยเต็มร้อยก็คือระดับมาหาสติมาหาปัญญานี่ ถ้าอยู่ในระดับมหาสติมหาปัญญาก็ถือว่ามีสมถะเต็มร้อยมีวิปัสสนาเต็มร้อยจิตหมุนตลอดเวลาด้วยการพิจารณาทุกอยู่ตลอดเวลาพิจารณาอานิจจังความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆพิจารณาอนัตตาว่าของสงิ่งท้องต่างๆสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรืออยากได้มานี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ได้มาแล้วไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะต้องพัดพรากจากกันเสียไปตายไปหรือหายไปอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของต่างๆล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอ น, นิจจังก็คือการไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่ ไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ไปตลอดมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปไม่ช้าก็เร็วมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้ศึกษาถ้าใจเป็นที่มีมรรคสมบูรณ์ตลอดเวลาก็จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทุกเวลาไม่ว่าจะสัมผัสกับอะไรเห็นรูปก็พิจารณาทันทีว่าเป็นตายแล้ว ได้ยินเสียงก็พิจารณาทันทีว่าเป็นไตรลักษจนปล่อยวางถ้ายังไม่ปล่อยวางถ้ายังหลงยังชอบยังชังอยู่ก็ต้องพิจารณาพิจารณาไปจนกว่ามันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ทุก ส, สิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่อยู่ภายนอกใจ หรือส่วนที่อยู่ภายในใจคือธรรมอารมณ์ทั้งหลายร่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าจิตมันมันสมบูรณ์ถ้าการภาวนาสมบูรณ์นี้จะเป็นมหาสติมหาปัญญาจะไม่มีเวลาเผลอที่จะปล่อยให้ใจไปกระทำตามความอยากต่างๆมีแต่จะใช้ปัญญาคอยตัดความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจนะการที่จะสร้างมรรคให้เต็มร้อยได้ก็ต้องเริ่มจากจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้เราสร้างได้เท่าไหร่ถ้าเรายัางสร้างได้ร้อยละสิบเราก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอย่ายือนอยู่กับที่มาวันนี้ก็สิบอดปีแล้วยังทาบุญเท่าเดิมอยู่หรือเปล่า เคยเบื่อจากร้อยดะสิบนี่ก็ยังร้อยละสิบอยู่เปล่าถ้าร้อยละสิบก็ไม่มีวันที่จะเดินเก้าหน้าได้สิบปีนี้มันจะควนร้อยละเก้าสิบแล้วหรือยร้อยละร้อยแล้วบางคนมีใช่ไหมคนบางคนก็ไปอยู่วัดแล้วไปบวชแล้วเขาทาทำฐานร้อยละร้อยแล้วเขาไม่ต้องใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆแล้วเขาสละเงินให้กับวัด เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดไปเอาเงินนี้มาใช้ให้เป็นมรรคขึ้นมาใช้เพื่อส่งเสริมการภาวนาเวลาเราไปภาวนาเราก็ต้องพึ่งภาวัดวัดก็ต้องพึ่งพาเงินทองของคาราะญาติโยมเราก็เอาเงินเหล่านี้ไปถวายวัดเพื่อสนับสนุนตัวเราเองและสนับสนุนเพื่อนปฏิบัติธรรมให้ ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมมีปัจจัยสี่ที่จะสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมนี่คือฐานถ้าตอนนี้เราล้อยละสิบเราก็ต้องพัฒนาขึ้นไปที่เราเล็กทเทละน้อยหรือหรือเีเลมากเลยก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่พลังของปัญญาถ้าปัญญาเห็นทุกเห็นว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจจะ สละอย่างทันทีทันใดให้หมดไปเลยก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เวลาตายไปทรัพย์ที่เราไมีอยู่มากน้อยมันไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่เวลาที่เราอยู่นี้เราสามารถเอามาทาประโยชน์ให้กับใจของเราทําให้ใจของเราไม่มีภาระไม่มีความกังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกมากังวลมาคอยดูแลรักษาเราจะได้มีเวลาได้บำเพ็ญอย่างเต็มที่การที่จะบำเพ็ญอย่างเต็มที่นี้ต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาคอยอคอยดึงใจเราไปดังนั้นการทำทานนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเรายังใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกต้องใช้เงินไปในทาง ส่งเสริมสมุทัยคือความอยากต่างๆเช่นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงตามสถานที่มีมหรสพต่างๆอันนี้เราจะต้องหยุดการใช้เงินแบบนี้แล้วเอาเงินนี้มาใช้ในทางที่จะทําให้ใจเราเกิดความอิ่มเกิดความไม่ต้องการใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุข ก็เอามาทำบุญทำทานทำประโยชน์ให้แก่สังคมทำประโยชน์ให้แก่โลกเป็นต้นทำไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องติดอยู่ในวงจรของการหาเงินใช้เงินถ้าเรายังต้องใช้เงินซื้อความสุขเราก็จะต้องคอยหาเงินมาใช้กับการซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไป สร้างมรรคสร้างสติสร้างปัญญาให้เป็นมหาสติมาเป็นมหาปัญญาขึ้นมาได้น่ทานคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทากันถ้าเราย่างใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่เราต้องเอาเงินที่เราซื้อความสุขนี้มาทำบุญแทนหรือเอามาสนับสนุนในการเจริญมรรคเช่นเอาเงิน ทางที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปอยู่วัดกันทุกครั้งเวลามีวันเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆอย่าไปจองโรงแรมอย่าไปจองสถานที่ท่องเที่ยวจองเครื่องบินกันให้มาจองที่ปฏิบัติธรรมในวัดกันแล้วก็เอาเงินที่จะไปใช้กับการท่องเที่ยวนั้นเอามาบอยจาคให้กับวัดเพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการ ที่อยู่อาศัยน้าไฟอะไรต่างๆทาอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินกับการไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเราก็จะเอาเวลามาใช้กับการเจริญมรรคสร้างศีลสร้างศีลศีลเราก็เริ่มจากจุดที่เรามีอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรารักษาศีลได้เท่าไหร่ เราก็รักษาไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มขึ้นไปถ้ารักษาได้สองข้อหรือสามข้อก็เพิ่มเป็นสี่ข้อห้าข้อไปถ้ารักษาได้อาทิตย์ละครั้งก็เพิ่มเป็นสองครั้งสองวันสามวันไปสี่วันไปต้องเพิ่มไปเรื่อยเรือจนเต็มร้อยสามารถรักษาศีลหาได้ทุกวันพอรักษาสีลห้าได้ทุกวันแล้วก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การรักษาสี่แ เบื้องต้นก็เอาอาทิตย์ละวันเช่นวันพระหรือวันหยุดทำงานเป็นวันที่สะดวกเพราะเราไม่ต้องมีภารกิจที่บังคับให้เราไม่สามารถรักษาศีลแปดได้เช่นการรับประทานอาหารถ้าเราทางา น, นเขาจะหยุดงานตอนพักกินอาหารกลางวันตอนเวลาเที่ยงวันอันนี้มันก็จะเลยเวลาไปหรือ มีเพื่อนฝูงมีจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันถ้าไม่ไปก็จะเป็นคนแตกแยกไปยามค่ำก็บางทีเขาก็ต้องชวนไปสังสรรค์ไปรับประทานอาหารค่ำกันก็ต้องไปแต่ถ้าเรารักษาศีลในวันวันหยุดการทา ง, งานเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเราก็จะรักษาศีลแปดได้ง่าย อันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันพระคือวันหยุดทํางานวันมาสร้างมรรคมาเจริญมรรกกันมาทําทานมารักษาศีลกันถ้ารักษาศีลห้าได้ทุกวันก็มารักษาศีลแปดในวันพระในวันหยุดทํางานกันเพื่อนี่เราจะได้ยุติการหาความสุขทางร่างกายกันศีลนะศีลแปดนี้จะเป็น ตัวที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเช่นไม่ให้เราร่วมหลับนอนกันไม่ให้รับหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานอาหารแบบรับประทานยารับพอเยาให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ไม่ให้หิวก็พอไม่ให้หาความส надо, uh. ุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟัง พวกมหมอนหอรศบันเทิงอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งเผ้าแต่งผมแต่งเสื้อผ้าอาภรต่างๆให้สวยให้งามเป็นความสุขปลอมความสุขเดี๋ยวๆไม่มีไม่มีสาระอะไรสู้เอาเวลาที่จะต้องมาเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวเหล่านี้ มานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าแล้วก็ให้ละเว้นการหลับนอนมากเกินไปร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนขึ้นแล้วสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนบนฟูกหนาๆนะบนบนบนฟูกที่นุ่มแล้วนอนสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกเพราะมันแสนจะสบายแสนจะสุข ก็จะนอนต่ออีกสาสี่ชั่วโมงเวลาที่เราจะได้เอามาใช้ในการเจริญมรรคก็จะเสียไปเปล่าเปล่าเนี่ยนี่คือหน้าที่ของการของของศีลแปลเพื่อกําจัดหรือห้ามการกระทําการหาความสุขผ่านทางร่างกายเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญมรรคเพื่อที่จะได้มาใช้ในการละสมุทยัย เพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเพื่อที่จะทํานิโรธให้แจ้งขึ้นมาคือให้ได้ทำการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาแก่ใจถ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายเราจะได้รับนิบบานังปามังสุขขัง ความสุขของพระนิพพานที่เป็นบรมมาสุขความถุดพ้นจากความทุกข์ทั้งป่วงนี้เรียกว่าพระนิพพานและความสุขของพระนิพพานก็เรียกว่าบรมมาสุขเป็นปรมังสุขขงังอันนี้เกิดจากการเจริญมรรคการเกิดจากการบําเพ็ญทานศีลภาวนาพอเรารักษาศีลได้รักษาศีลแปดได้เราก็จะไปภาวนาได้ ภาวนาเราก็ต้องเจริญสติที่เป็นองค์ประกอบของการภาวนาเป็นหัวใจของการภาวนาก็คือการเจริญสติถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ใจลอยไปลอยมาไม่มีสติไม่มีสตางค์นี้ท่านไม่เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่เป็นการทําความเพียรตัวที่ทําความเพียรที่แท้จริงต้องเป็นตัวจิตตัวใจไม่ใช่ตัวร่างกาย ร่างกายอาจจะมีกิริยาของการทำความเพียรเช่นเดินจงกรมไปเดินจงกรมมานั่งสมาธิไปแต่ตัวที่ทำความเพียรที่แท้จริงคือใจนี้ไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำความเพียรไม่ได้เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่ได้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคแต่อย่างใด การที่จะเจริญมรรคได้นี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปถ้ามีสติคอยควบคุมใจถึงแม้ว่ากิริยาของร่างกายไม่ได้อยู่ในท่าของการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็าตาม <c oughs> ก็ถือว่ากำลังทำความเพียรอยู่ทำความเพียรในเอเรียบ ท, ทั้งสี่เช่นพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไป ควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็ให้คิดในวงจำกัดคือคิดในเฉพาะเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดเช่นวันนี้เป็นวันอะไรต้องไปทำอะไรมีหน้าที่ติดต่อกับใครก็คิดได้ไม่ได้ห้ามให้คิดแต่พอเรารู้แล้วว่าเราต้องทาอะไรเราก็เตรียมตัวไปทำในสิ่งที่เราต้องทา ขณะที่เราเตรียมตัวเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าต้องคิดในเรื่องความเรื่องที่จาเป็นอย่าต้องคิดคิดได้แต่จะไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบฟุ้งซ่านคิดไปวิตกกังวลกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุข ใจจะไม่มีกําลังที่จะมาทําใจให้สงบและจะไม่มีกําลังที่จะออกไปสู้กับตันหาความอยากต่างๆที่เป็นาศึกษัตรูของใจการเจริญสตินี้จะทําให้ใจนิ่งใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิได้ เ, เวลานั่งสมาธิถ้าต้องการให้ใจรวมนี้จะต้องนั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วก็กาหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จะอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้จะอยู่กับการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ก็สำคัญต้องมีสติคอยควบคุมใจให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นให้อยู่กับงานนั้นเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้แวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าแวกไปก็ดึงกลับมาแวบไปก็ดึงกลับมาในเบื้องต้นอาจจะเป็นการแข่งกันเพราะสติยังไม่มีกาลังมากพอ ใจยังมีกิเลส ต, ตันหาความอยากยังมีกำลังที่จะแวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ใช้สติดึงกลับมาใช้พุทโธดึงกลับมาใช้ลมหายใจดึงกลับมาให้กลับมาดูที่ลมหายใจให้กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่แวบไปมันก็จะอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียว แล้วมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุดเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะนิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆปราศจากอารมณ์วุ่นวายต่างๆเช่นความรักความชางังความกลัวความหลงนี่ก็จะหายไปเหลือแต่อุเบขาสักแต่ว่ารู้นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการเจริญสมาธิ เราจะได้จิตที่สงบและเราจะได้ความสุขที่เรียกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะทำให้เราสามารถปล่อยความสุขแบบอื่นที่เราเคยเคยหลงเคยรักเคยชอบได้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกวิ่นกายได้เราจะเลิกจากการหาความสุข จากการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือจากการให้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขภายในใจยังไม่มีความสงบเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อให้เรามีความสุขกับเขา แต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาถ้าเขาเป็นก็เป็นเขาไม่เป็นก็ไม่เป็ น, เ, ปนเราไม่เหลือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้เขาแล้วไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเรามีสิ่งที่เราพึ่งได้ดีกว่าคือความสงบที่ผลิตความสุขให้กับเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้ ก็เป็นผลที่เกิดจากการจเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องสตินี้เป็นกุญแจดอกแรกที่เราจะต้องใช้เปิดประตูสู่พระนิพพานถ้าเรามีกุญแจสติเราก็จะเกิดเราก็จะเข้าไปในห้องของสมาธิได้เข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความสุขของความสงบได้พอเราได้เข้าไปในห้องสมาธิแล้วเราก็ต้องมีกุญแจดอกที่สองคือปัญญา ที่จะเปิดประตูให้เราเข้าไปสู่พระนิพพานให้เราเข้าไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะว่าสมาธินี้เพียงแต่ทําให้เราหลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอจิตถอนออกจากสมาธิมาจิตก็จะคิดไปถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วตัณหาความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาได้ ตัณหานี้ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ <c oughs> เป็นทางเดินพอเปิดทางเดินตัณหาก็เดินมาพอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานคิดถึงคนนั้นก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดถึงร่างกายของเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ให้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ให่อยากเป็นอย่างนี้พอมีความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าของต่างๆที่เขามีอยู่เป็นอยู่นี่เราไปกำหนดไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอควบคุมได้บ้างบางเวลาเช่นร่างกายของเราบรงเวลาเราก็ควบคุมได้บังคับได้บางเวลาหรือบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้เช่นความแก่นี้เราควบคุมไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราควบคุมไม่ได้ความตายนี้เราควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นก็เป็นแบบเดียวกันบางอย่างเราควบคุมได้เช่นการกระทำเราสั่งให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนได้แต่เวลาร่างกายขาเจ็บหรือขาพิการจะสั่งให้มันเดินมันก็เดินไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราสั่งได้อะไรที่เราสั่งไม่ได้ในสิ่งที่เราสั่งไม่ได้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เพราะจะทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเปๆนี่เกิดปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าสัพเพธรรมะอนัตตาสรร พ, พสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปตลอดเวลาจะต้องมีเวลาที่เขาจะไม่ฟังเราไม่เชื่อเราอ้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังเราสั่งให้เขาทําเขาก็ไม่ทํา ถ้าเรารู้ว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากของเราเพราะถ้าไม่หยุดเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเท่านั้นเองนี่คือปัญญาที่จะทำให้เร า, าหยุดความทุกข์ที่ที่ที่เกิดขึ้นหลังจากออกมาจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิความอยากไม่ทางานความทุกข์ไม่มี แต่พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวความอยากโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความไม่สบายใจเวลาไม่ได้ดังใจอะแต่ถ้ามีปัญญาปั๊บก็จะตัดได้เลยหยุดได้เลยไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ช่วยไม่ได้ไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะตายก็ตาย ไม่สำคัญไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าใจของเราเท่ากับการหยุดความอยากต่างๆเท่าเท่ากับการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆนี้อันนี้คือหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาเริ่มหมุนเป็นแบบมหาสติมหาปัญญาแล้วทีนี้มันจะคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาว่ากาลังสร้างสมุ ท, ทยขึ้นมาหรือเปล่าถ้าสร้างปั๊บ ปัญญาก็จะใช้ตายรักเข้ามาสกัดทันทีอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเป็นได้หรือเปล่าห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วไปทุกข์กับเขาทําไมไปอยากทําไมอยากก็ไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากอยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆจะเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลยบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นแหละ เขาดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็สลับกันไปตามเรื่องของเขาแต่เราไปอยากให้เขาดีในเวลาที่เขาไม่ดีเราก็จะเสียใจอยากให้เขาหายไปเวลาที่เขาโผล่ขึ้นมาเขาไม่หายเราก็เสียใจทุกใจนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทํางานหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนี่จะคอยสังเกตดูจิตอย่างเดียว นี่คือวิธีดูจิตที่ถูกต้องการดูจิตนี้บางคนไม่รู้ว่าดูอะไรดูจิตถ้าดูจิตเฉยเฉยดูไปทําไมการดูจิตนี้ให้ดูกิเลสให้ดูตัณหาว่าตอนนี้มีตัณหาปรากฏขึ้นมาหรือยังเหมือนกับยามที่ไปเฝ้าบ้านเขาให้ไปดูบ้านเขาไม่ให้ดูบ้านหรอกบ้านมันไม่มีปัญหาเขาให้ดูว่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่าเวลาขโมยขึ้นบ้านจะได้จับขโมยไล่ขโมยไปบ้านไม่ต้องไปดูมันหรอก ถ้าไปดูจิตเฉยๆไปดูมันทําไมดูดูจิตนี่ให้ดูกิเลรที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูตันหาที่มันโผล่ขึ้นมาในจิตดูแล้วก็ดูว่ามีเรามีอาวุธที่จะฆ่าตันหาที่มันโผล่ขึ้นมาหรือไม่อันนี้ต่างหากเรื่องของการดูจิตแห่ดูแบบนี้การจะดูจิตได้อย่างจริงๆนี่ต้องต้องหนังจากที่จิตรวมเป็นสมาธิแล้วะอันนั้นแหละ พอจิตรวมแล้วสติปัญญามันเข้าถึงตัวจิตแล้วเทนี้เวลาตันหาโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็สามารถกำจัดมันได้ทันทีอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็จะกำจัดมันทันทีหรืออสุภะในกรณีที่เห็นของสวยของงามก็ใช้อสุภะกำจัดมันหรือในกรณีของความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบมีเขตก็ใช้อาหารเลยปฏิกูุรสัญญาดับมัน นี่เป็นปัญญาเป็นการดูจิตจะดูได้ก็ต้องหลังจากที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้ยังเข้าไม่ถึงตัวจิตยังเป็นสัญญาอยู่เห็นกิเลสก็ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวที่จะกำจัดกิเลสอยู่ข้างนอกคือสติปัญญายังไม่ได้เข้าไปข้างในจะเข้าไปข้างในก็ต่อเมื่อจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิการดูจิตจึงต้องดูหลังจากที่ได้สมาธิแล้ว แล้วก็ต้องใช้ปัญญาเป็นตัวที่เป็นอาวุธคอยกําจัดตัวที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจถ้าให้ยามดูบ้านเฉยๆแต่ไม่มีอาวุธเวลาขโมยขึ้นบ้านก็ไปห้ามขโมยไม่ได้ขโมยมันก็รักขโมยมันไม่กลัวยามขโมยมีอาวุธยิงไล่า ย, ยามได้อย่างสบายการที่จะยูดูจิตได้ก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องหมั่นพิจาณาอสุภะต้องหมั่นพิจนาอาหาเลยปัจจุบลสัญญาถ้าไม่มีอาวุธนี้พอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็ดับมันไม่ได้ผู้ที่จะเจริญปัญญาผู้ที่จะดูจิตนี้จะต้องมีอาวุธคือปัญญาไว้ทําลายตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนกับยามที่เฝ้าบ้านหรือทหารที่เฝ้าประเทศเหล่านี้ถ้าให้ทหารไปเฝ้า ทำหน้าที่โดยไม่มีอาวุธเปิดนี้เวลาข้าศึกศัตรูบุกเข้ามาบ้านเราจะทำอะไรก็มีแต่วิ่งหนีทั้งนั้นไม่สามารถที่จะยับยั้งข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามาทําลายบ้านช่องของเราได้เราต้องเราจึงต้องให้อาวุธแก่ทหารทันใดเราก็ต้องให้อาวุธแก่มาร์กมาร์กก็คือทหารที่จะคอยทําลายสมุทยัยที่เป็นข้าศึกศัตรูของใจอาวุธของมาร์กก็คือปัญญา คือสมาธิคือสติสติเราก็ได้แล้วได้สมาธิแล้วนี่ขั้นต่อไปเราก็ต้องสร้างอาวุธคือคือปัญญาขึ้นมาสติกับสมาธิทำให้เราไปตั้งเป้าตั้งตั้งฐานอยู่ในเขตที่ข้าศึกศัตรูจะเข้ามาเราต้องอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ถึงจะรับกับเหตุการณ์ได้ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพแล้วปล่อยให้ข้าศึกบุกเข้ามาตามชายแดน ทหารไปตั้งอยู่ที่กรุงเทพเนี้ข้าศึกศัตรูก็เข้าเข้ามาในประเทศได้อย่างสบายทหารต้องไปอยู่ตามชายแดนเวลาข้าศึกศัตรูเข้ามาจะได้ต่อสู้กันได้ยับยั้งเขาได้ฉันใดข้าศึกศัตรูของใจก็อยู่ในใจคือสมุ ท, ทยัยเกเรตันหานี้อยู่ในใจแต่มากของพวกเรายังมันยังไม่ได้อยู่ในใจยังไม่มีอยู่ในใจเราจึงต้องสร้างมรรคขึ้นมา ด้วยการจเจริญสติทําใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งเนี่ยพอใจสงบรวมเป็นหนึ่งก็เหมือนกับยกยกมรคไปอยู่ที่ที่ที่ชายแดนที่ที่ข้าศึกศัตรูจะบุกเข้ามาก็คือดึงมรคให้เข้าไปอยู่ในจิตที่เป็นที่ที่สมุทัยกําลังทํางานอยู่สมุทัยมันอยู่ในใจแล้วแต่มรคมันไม่ได้อยู่ในใจกิเลยตัณหานี่มันทํางานอยู่ในใจเรามาตลอดเวลา แต่เครื่องม้าเครื่องมือที่จะทำลายมันนี้ไม่ได้อยู่ในใจเพราะเราไม่มีเราต้องไปอาศัยเครื่องม้าเครื่องมือของพระพุทธเจ้าเราก็เอาเครื่องม้าเครื่องมือนี้เอาเข้ามาสู่ภายในใจของเราให้ได้ด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิเพราะได้สติได้สมาธิจิตก็จะรวมเข้าไปมักก็จะเข้าไปในในสมาธิเข้าไปในใจในจิต แล้วเราก็ต้องเจริญมากต่อไปคือปัญญาด้วยการพิจารณาอยู่เนืองเนืองพิจารณาไตรักอยู่เนืองเนืองพิจารณาอสุภะอยู่เนืองเนืองพิจารณาอาหารในปัตจุบุรสัญญาอยู่เนืองเนงืพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่านี่คืออาวุธที่เราจะใช้ไม่ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือความอยากต่างๆ่างเพอเกิดความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็จะมีมรรคมีอาวุธไว้ทําลายถ้ามีปัญญา ที่เป็นปัญญาแบบมหาปัญญาปัญญาอัตโนมัตินี้มันจะทำงานทันทีพอกิเลสตัญหาโผลขึ้นมาปั๊บปัญญาจะมาทันทีถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันจะมาทันทีถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เรื่อยเวลาตัญหาเกิดขึ้นมักไม่มาเพราะเราไม่ได้เจริญเราไม่ได้พิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราลืมไปเผลอไปกลายเป็นสัญญาไป ปัญญายัางไม่ได้เป็นปัญญาปัญญายัางเป็นสัญญาอยู่ถ้าเป็นปัญญาจริงนี้จะต้องมาทันทีมาฆ่ากิเลสตัณหาได้ทันทีถึงเรียกว่าปัญญาถ้าเป็นปัญญาแบบฆ่ากิเลสไม่ได้นี้เราไม่เรียกว่าปัญญาเราเรียกว่าสัญญานี่คือเรื่องของการเจริญมรรคที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้พวกเราพยายามเจริญกันให้มากๆเจริญให้สมบูรณ์ เพราะจะเป็นเครื่องม้เครื่องมือที่จะละสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจที่จะทำให้ใจให้ทให้นิโรธคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงปรากฏขึ้นมาภายในใจของพวกเราอยู่ที่การที่เราคอยดำลึกคอยเตือนใจถามใจเราอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากาลังเจริญมรรคหรือเรากําลังเจริญสมุทยัยเรากําลังทําตามความอยากหรือเรากาลังฝืนความอยากกันถ้าเราทําตามความอยากก็แสดงว่าเราไม่ได้ทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราไม่ทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราจะไปเรียกว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแะทํารม พราะนั้นคือพูดบูชาเราตถาคตนะถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเครารพพระพุทธเจ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ใช่เพียงแต่การกราบไหว้ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่อหน้าพระพุทธรูปจุบทูปเทีทยนสามดอกแล้วก็ถวายดอกไม้ทูปเทยียนเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานี้ยังไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริง เป็นเพียงกิริยาเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นบูชาที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากันพระองค์ต้องการให้พวกเราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะว่าการปฏิบัติบูชานี้จะทําให้พวกเราได้รับประโยชน์ที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเราได้รับกันนั่นเองเป้าหมายของการ เสียสละของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมในการสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็เพื่อให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นเองไม่ทรงปรารถนาอะไรต้องการให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์และวิธีที่จะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติบูบชาก็คือต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์นั่นเองการเจริญมรรคนี่แหละเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติทานศีลภาวนานี้คือการปฏิบัติบูชาทำไปแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่บูชาบูชาบุคคลที่สมควรแก่บูต่อการบูชาดังในดังในมงคลลสูตรที่แสดงไว้ว่าบูชานี้อะไรบูชาจนียนงเอตัมมังกัลมุตตะมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนถ้าพวกเราอยากจะได้รับความเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตก็ขอให้เราบูชาพระธรรมของพระพุทธพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการเตือนใจสอนใจเราอยู่เรื่อยว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเจริญมรรคหรือว่าเรากำลังเจริญสมุทยัยถ้าเราเจริญสมุทยัยเราก็ต้องหยุดเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า การบูชาพระพุทธเจ้าต้องเป็นการเจริญมัตตตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้เราปฏิบัติกันถ้าเราทําตามที่ทรงสอนได้ผลก็คือนิโรธการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด เราก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกังทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ช่วยเหลือพวกเราเราก็จะได้ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าต่อจากพระอรหันตสาวกต่อไปสิ่งขอฝากเรื่องของการเตือนสติเตือนใจให้นำเลรื่ให้ถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากำลังทำอะไรกันอยู่การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เลยและเพราะเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุ ญ, ญาตงดตอบ ป, ปัญหา คำถามจากทางบ้านจากคุณอัมพรอะไรเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้มีพระสงฆ์เพียงจํานวนน้อยที่สามารถบรรลุธรรมสูงสุดจากจํานวนพระสงฆ์ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากคะก็ศรัทธาความเชื่อถ้าไม่มีศรัทธาความเชื่อมันก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติกันแล้วประกอบกับ โลกก็เจริญไปในทางด้านวัตถุกันมากกระแสของวัตถุนิยมก็จะดึดูดจิตใจของคนให้ไปหลงอยู่กับการหาความสุขทางวัตถุกันอย่างสมัยพระพุทธการนี้ความเจริญทางวัตถุไม่ค่อยมีคนจะเห็นความทุกข์กันได้ชัด สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นความทุกข์กันเพราะเรามีวัตถุอะไรต่างๆมาปิดบังจึงทำให้คนหลงยึดวัตถุเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกันมุ่งไปสู่การสร้างวัตถุสร้างความเจริญทางวัตถุกันก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติศึกษาธรรมกันคำถามจากคุณสายทิพย์ เวลาที่เราเหงาหรือกลัวว่าจะเกิดการพลัดพรากเช่นพ่อแม่ที่แก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเราควรทําใจอย่างไรคะน้องถามบางทีเนะมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังเวลาที่เราเหงาหรือกลัวว่าจะเกิดการพลัดพรากเช่นพ่อแม่ที่แก่เท่าวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเราควรทําใจอย่างไรคะ เบื้องต้นถ้ามีความรู้สึกไม่ดีก็ทำใจให้สงบก่อนนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไหว้พระสวดมนต์ไปก่อนพอใจสงบแล้วจะหายเศร้าหายเหงาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ควรที่จ ะ, จะเจริญปัญญาสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพลาดพลากจากกันเป็นธรรมดา ให้คอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะได้ยอมรับความจริงจะจะรู้สึกไม่เศร้าต่อไปแต่ขนาดที่เศร้านี้ถ้ายิ่งไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ยิ่งจะทำให้จิตใจเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนั้นใจไม่ยอมรับความจริงฉนั้นเราต้องทำใจให้สงบก่อนเพื่อที่จะกำจัดลื่อนกดตัวที่ไม่ยอมรับความจริงก็คือความหลง ความหลงนี้จะทำให้เราไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไปพิจารณาในขณะที่ใจมีความหลงอยากจะอยู่ไม่อยากตายพอเราไปพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายมันยิ่งจะทำให้เกิดความเศร้าหมองเพิ่มมากขึ้นเกิดความหดหู่ใจเพิ่มมากขึ้นดังั้นเวลาที่เกิดความหดหู่ใจนี้เบื้องต้นต้องกำจัดความหดหู่ใจระงับความหดหู่ใจก่อน โดยการทำใจให้สงบบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอใจสงบแล้วความรู้สึกขดผูความเศร้าหมองอะไรต่างๆก็จะหายไปพอออกจากสมาธิมาเราก็จะควรที่จะเจริญปัญญาควรที่จะสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็น ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมีอาการ32อเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นเราสอนใจอย่เรื่อยใจก็จะรับความจริงได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามการพิจารณาร่างกายนี้ทั้งกล้พิจารณาทั้งของเราและของผู้อื่น พิจารณากายในก็คือร่างกายของเราพิจารณากายนอกก็ร่างกายของผู้อื่นและพิจารณาทั้งกายในและกายนอกคือพิจารณาไปร่วมกันพร้อมกันร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนกันเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของเราชั่วคราว เป็นคนรับใช้เราชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะต้องตายไปแต่ใจผู้ที่มาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจของพ่อใจของแม่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่อยู่ที่ใจพ่อแม่ก็ไปหาร่างกายอใหม่ไปเกิดใหม่ คำถามจากคุณจีลาทรหนูเป็นทุกข์เพราะลูกอยากเรียนต่อชั้นปวสแต่หนูไม่มีเงินส่งเลยเกิดความทุกข์ขึ้นจะแก้ความทุกข์นี้อย่างไรคะก็อย่าไปอยางให้าเรียนเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนคำถามจากคุณพงษ์สวัสด์ขันห้าดับด้วยอะไรครับ อ, อ๋อขันห้ามันดับด้วยธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันนี้มันเป็น สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับของมันไปเองร่างกายนี้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายไปของมันเองส่วนนามขันนี้มันไม่ดับมันเกิดเกิดดับๆแต่มันไม่มันไม่หายมันไม่มันไม่ดับถาวรมันอยู่คู่กับใจมันเป็นส่วนหนึ่งของใจเป็นเหมือนอวัยวะของใจมันก็ตราบใดมีใจมันก็จะมีรูปประค์นามขันคือ มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันอันนี้มันมันไม่ดับถาวรมันมันเกิดเกิดดับดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเวทนามันก็เปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์จากจากทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์สัญญามันก็คิดจําแล้วก็ลืมจําแล้วก็หายไปสังขารคิดแล้วก็หายไปแล้วก็คิดขึ้นมาใหม่มันก็ทํางานท่านบอกเปลี่ยนเหมือนกับแสงหิ่งห้อย มันเกิดดับเกิดดับไปอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติของนามขันหน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะมาดับขันกวาใจนะหน้าที่ของเราคือมาเข้าใจขันว่าเขาเป็นเขาเป็นอย่างไรแล้วอย่าไปหลงไปยึดไปติดกับเขาเท่านั้นเองเช่นร่างกายเขาไม่ใช่เป็นตัวเราอย่าไปหลงคิดว่าเขาเป็นตัวเราเขาเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไปห้ามเขาไม่ได้ ให้รู้ความจริงแล้วจะได้ตัดความอยากที่ทั้งความทุกข์ให้กับใจเราใจเราตอนนี้มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเราคิดว่าถ้าร่างกายตายไปเราจะตายไปกับร่างกายเราจึงกลัวตายกันแต่ความจริงเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่เราไม่รู้เราต้องมาพิสูจน์ด้วยการภาวนา ถ้าเราทำใจให้สงบแล้วเราจะเห็นใจแยกออกจากร่างกายแล้วเราก็สามารถสอนใจด้วยปัญญาว่าให้ปล่อยวางร่างกายได้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายอันนี้ต้องเกิดจากการภาวนาเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางขันเช่นเดียวกับเวทนาขันที่เป็นนามขันเวทนามันก็เกิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดแล้วก็ดับทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปสุเขาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไป ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นอนิจจังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งให้เขาเวลาเกิดทุกขเวทนาให้หายไปก็หายไม่ได้ถ้าเขาจะหายเดี๋ยวเขาหายของเขาเองถ้าเขายังไม่หายก็ไม่หายเช่นเวลาเจ็บท้องอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองเวลามีความสุข ก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆมันก็ไม่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันก็มันก็หายไปถ้าเราไปอยากให้อยู่หรืออยากให้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์อย่าไปสั่งอย่าไปห้ามมีหน้าที่เพียงแต่รับรู้และอยู่กับเขาไปเขาทุกข์ก็รู้ว่าเขาทุกข์เขาสุขก็รู้ว่าเขาสุขเท่านั้นเองแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ นี่คือเรื่องของการศึกษาขันห้าเพื่อให้เราเข้าใจแล้วเราจะได้ปล่อยวางเราจะได้ละสากายัทิฏฐิความเห็นที่ไปเห็นว่าขันห้านี้เป็นตัวเราของเราความจริงเขาไม่ได้เป็นตัวเราของเรานี่คือวิธีเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเราไม่ได้มาควบคุมบังคับสั่งให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พะเราสั่งไม่ได้ สั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสั่งไม่ได้สั่งให้เวทนาไม่ทุกขเวทนาไม่ได้มันจะทุกขก็ต้องทุกขตอนนั้นถ้าเราไม่ไปทุกขกับมันถ้าเราไม่ไปอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทุกขปัญหาของเราอยู่ที่ความหลงไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้งนั้นเราต้องแก้ด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของเขาเราไปห้ามไปเปลี่ยนทอไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอยากไปอยากเยายากไปพยายามเปลี่ยนเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์คาถามหมดแล้ววันนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมเวลาปฏิบัติอะคะ่ะ เ, เวลาสมมติว่ามีความคิดเกิดขึ้นหรือมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยหนูก็จะดูมันไปเฉยๆว่าเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยคะ่ะจิตมันเข้าไปรู้อารมณ์หรือว่าความคิดแล้ว พอมันเห็นเสร็จปุ๊บมันจะมันจะเห็นการเกิดดับที่ที่รวดเร็วมากอะคะ่ะก็เลยจะอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าเควรวิธีไหนที่ถึงจะเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอะคะ่ะก็ให้เข้าใจแล้วอย่าไปหลงกับความคิดคือรู้ว่าเขาเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่ไปทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปอยากเราก็จะเกิดความทุกข์เช่นเขา คิดแล้วเราอยากจะให้เขาหยุดคิดเขาไม่หยุดคิดเราก็จะทุกข์แต่ความคิดนี้มันมีมันมีคุณมีโทษความคิดนี้มันไปได้ทั้งสองทางคิดไปในทางที่เป็นคุณก็มีคิดไปในทางที่เป็นโทษก็มีงนั้นหน้าที่ของเราก็คือเวลาคิดไปในทางที่เป็นโทษเราต้องระงับมันด้วยการดึงมาให้มันไปคิดในทางที่เป็นคุณเช่นเราคิดกังวลเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสามี เกี่ยวกับชีวิตของเร า, เาให้มาคิดทางปัญญาแทนคิดว่าทุกคนจะไปกังวลยังไงก็ต้องแก่เจ็บตายในที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้ใจเราไม่เครียดไม่ทุกข์ได้กับสิ่งต่างๆหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ใจเราหยุดคิดพักพกใจเราเราก็ต้องควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้ยการให ใช้สติจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นดูลมหายใจเข้าออกสักแต่ว่ารู้ไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วก็จะทำใจให้ทาความคิดให้หายไปแล้วใจก็จะสงบแต่ความคิดก็จะหายไปชั่วคราวชั่วขณะที่ใจสงบแต่มันก็จะทำให้เรามีความสุขทำให้เร า, าผ่อนคลายจากความเครียดความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากความคิดของเราเองได้เพราะความคิดนี้มันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นได้สองทางถ้ามันคิดไปแล้วทำให้เรามีความสุขก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกข์นี้เราต้องหาวิธีระงับมันให้ได้วิธีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ใช้สติหยุดมันให้มันสงบเป็นสมาธิวิธีที่2ก็ให้มันคิดไปในทางปัญญา คิดว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เราปล่อยวางได้และเราก็จะหายทุกข์จริงเวลาก็พอสมควรนะถ้าไม่มีการถามอะไรก็เกดว่าข อ, อายุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้จงท่านทั้งหลายจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณา